ม็งานแ่สิบเก้านะข้อสิบ้านะข้อที่เจ็นะครับถ้าว่าพ่อเจ้าเรือนก็ดีแม่เจ้าเรือนก็ดีผู้ที่ไม่ได้เป็นญาติพึงปวาณาเชื้อเชิญอนุญาตที่สูบผู้ถูกแยกชิงจีวอนไปหรือมีจีวอนเสียหายนั้น ด้วยจีวรจานวนมากเพื่อให้นำไปได้ตามต้องการภิสุรูปนั้นพึงยินดีจีวอรอันมีผ้าอันตรารวกาสมองและภ้าอุตราสมจีวรเป็นอย่างมากจากจีวรเหล่านั้นถ้าว่าภิสุพึงยินดีเกินกว่านั้นต้องอาบัตปาจิตติที่มีการเสียตละเป็นวินัยครรมนะครับอันนี้ อันนี้ก็สืบเนื่องมาจากข้อก่อนนะหมายพราะว่าเนี่ยพระเนี่ยมีจีวรถูกโจนย่างฉิองออกไปใช่ไหมหไื้จีวรเสียหายนั่นนะครับอันนี้สา ม, มารถขอกับโยมที่ไม่ใช่ย่างไม่ใช่ใชปวณาได้นรพอดิโยเขารู้นเขาว่าเราเป็นพระที่เป็นอย่างงี้นะเขาก็เลยมาเชื้อเฉยปวนานะคําว่าปวณาแปลว่าเชื้อเฉยรู้อนุญาตนะครับให้เราขอข้ได้แต่ว่าเข้ามาอนุญาตในกรณีนี้นะไม่ใช่ปวน า, าทั่วไปนะ กรนี้ที่ว่าเรามีจีวรถูกชนจริงไปหรือจีวรเสียไหายเขาลุกเข้าก็เลยมาเชื้อเชิญนะครับเชื้อเชิญด้วยกายก็ได้ถ้าบอกเชื้อเชิญด้วยกายก็ในการนอกผ้าวางไว้ข้างหน้านะครับอ่ะน็อเนี่ยก็อันนี้เชื่อในกายหรือเชื้อเชิญด้วยวางก้าก็บอกว่าเนี่ยถ้าคุณเจ้าต้องการผ้ามาไหรเนี่ยถ้าเลือกได้เลยเท่านี่นะเดี๋ยวนี้นะ มันก็เชื้อเชิญนะมันคงจะมีเยอะนะ้าหลายผืนให้เเลือกการพยาเลยนะครับอันนี้พิสูจนนะครับเจเไื่อ่าเราไิ้ขีดผืนก็ได้การใจปรารถนาไม่ได้นะนะครับ mm hmm. ให้เอาจีวรนั้นอย่างมากนะครับได้นะสองผืนคือสมองกับจีวรเป็นอย่างมากา mm hmm. ใช่ครับนีนะ่อาจารย์ตองเล่มมาให้ข้างล่างนะข้อหนึ่งแค่จีวรเราหายกนะ็สามผืนเลยนะครับ เขาชิงออกไปตั้งสามผืนเลยเนี่ยเราสามารถยินดีได้สองผืนนะครับถ้าหายสองผืนตปยินได้ผืนหนึ่งครับคือขอให้มันเหลือนะผ้านุ่มกับผ้าหมนะครับสวงกับจีวอนแหลกเท่ า, นะทานี้นะครับใช้ได้ถ้าหายผืนหนึ่งเนี่ยยินดีไม่ได้เลยเพราะถือว่ายังเหลืออยู่สองใช่ไหมอย่างนี้นะครับนีนะ่เป็นอย่างนี้นะครับคนนี้ได้ถ้าว่ายินดีเกินกว่านั้นนะ เป็นสาเป็นสี่อะไรอย่างนี้นะครับก็จะต้องมานสิสกี้ไปตีสินขาบนนี้นะะไปะคะไรับมาดูว่าต้นมันอย่างมาจะไทยนะอันนี้ไม่ใช่พระอุทายีแน่นะ <c oughs> ๆไปนะครับ <c oughs> หน้าแปดร้อยสิบสามอยานี้นะะ <c oughs> เรื่องของพระสัพั์ขี โดยสมัยนั้น พ, พ, พุทธมุภาพพระเจ้าประทับอยู่หนพระเชตวันอารามของนาถาบิณกะข้ามบดีเขตพระนครสาบถีครั้งนั้นพระจักรพรรดิเข้าประหารพิสุทธ์ทั้งหลายผู้มีจีวรถูกชิงปังครั้งแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าอาวุโสทั้งหลายการขอจีวรต่อพ่อจเจ้าเรือหรือแม่จเจ้าเรือผู้มิใช่ญาติพุทธมภาพเจ้าสองญาติแก้พิสุทธิผู้มีจีวรถูกชิงไปหรือผู้มีจีวรฉิบหายแล้ว ถ้าหลานจงขอจีวรเถิดนะครับก็ไปแนะนําท่านอย่างนี้นะถ้าเข้าไปขอจีวร น, นะครับพิส่วนนั้นก็กล่าวว่าพอแล้วพระรับพวกผมได้จีวรมาแล้วพ่อมียมเข้าจีวรเนี่ยเป็นถวายพระหล่านั้นแล้นะคะรับเี่ยูเสบกีก็คู่อีกนะอันี้ยูเสบกีก็เลยพูดว่าพวกผมจะขอเพื่อประโยชน์ของพวกท่านนะครับจะไปขอมาให้อีกนะขอมให้พวกท่านนะครับจงขอเถิดพระรับนะครับก็บอกเนอ้นที่เสียงนี้ กาลังนั้นก็จะเวทีเข้าไปหาพวกพ่อจเจ้าเลี้ยงผู้มิเชยา่าและกล่าวคํานี้ว่าท่านหา้าวผู้วิสุทธิ์ที่มีจีวรถูกชิงไปมาแล้วขอหา่านทาวจงถวายจีวรแก่ผู้เธอดังนี้แล้วขอจีวรได้มาเปลี่ยนมากครับได้เดยอะนะครั้งนั้นก็มีบุตรผู้หนึ่งนั่งอยู่ในที่ชุมชนครับพูดกับบุรุษอีกผู้หนึ่งว่าพระคุณเจ้าท่านหลายผู้มีจีวรถูกชิงไปมาแล้ว ข้าพเจ้าได้ถวายจีวรแต่ท่านเหล่านั้นแล้วนะครับคนแรกนั้งบอกได้ถวายจีวรไปแล้วนะแม้บุตรอีกผู้หนึ่งนะนั้นก็กล่าวอย่างนี้ว่าแม้ข้าพเจากก้าเขาได้ถวายไปแล้วแม้บุตรอีกผู้หนึ่งก็กล่าวอย่างนี้ว่าแม้ข้าพเจากก้าเขาได้ถวายไปแล้ ว, าา น, ะ ว, ว น, น, นะครับสามคนนะเขาถวายไปแล้วนะครับเรื่องนั้นที่เรแพ่งเท่าติดเต็มปุถานานะครับว่าเชนไหนพระสมม า, าสีสัการถายบุตรจึงไม่รู้กระจรัดต่อมา ขอจวลมาฆ์หมายเล่าเขาจะมาหน้าเชื้อาสายปรชยาชยบุตรจะทําการค้าผ้าหรือจัตั้งหรือจัตั้งร้านขายผ้า น, น, นะรบก็แพ่งโทษนะเพระได้แ้าทำไมเอาอีกเอาอีกทำไมคเขาต้งหลายเจ้าสองสามเจ้านะได้นั้นก็น่าจะพอเนะี่ยที่สุดทั้างหลายนะครับที่ยพูบท้องน้อยสันโดดต่างก็แพ่งเทษเพิ่พัฒนาแล้วก็กล่าวถึงมุตเจ้าสองซ่าพุทโธงประชุมสงสงสอบถามรงติดตีที่สุดเหล่านะ แล้วก็ปัญญาสิกขาคนนี้ขึ้นมาต่อไปอนะครับองดูข้อที่มาเนือหน้าร้อยยี่สิบข้อเจ็ดอธิบายตัดสุด ต, ตริสิกขาบทนะครับพึงทราบอธิบายสิกขาบทที่เจ็ดต่อไปคำว่าตันเจแปลว่าจีวอนนั้น เป็นจีวรถุงชินเอาไปหรือเป็นจีวรที่เสียหายนะเสียหายไปในคําว่าอธิษฐ์ถุงนี้คําว่าอธิเป็นบทอุปสรรคสดแสงบานี้นะครับอธิบายว่าเพื่อการทําไปคือเพื่อจะให้ถือเอาคําว่าปวาเรเลยะแปลว่าปรวารณาพอใจเกิดขึ้นมาขยายความว่านิมนต์อย่างนี้ว่า ท่านปรารถนาว <ทำ S 1> ่าถูกมีประมาณเท่าใดขอจงรับเอาไปประมาณเท่านั้นเข้าปรองนาอย่างนี้เนี่ยต้องการเท่าไรให้รับอปไปเลยเปรียยเหมือนในคาว่าแนขงขมังอันนี้เป็นขมังนะครับทัถุเขมะโตเห็นการออกบวชโดยโดยความเป็นธรรมเกษเห็นการออกบวชโดยเป็นธรรมเกษนะะีนออน้ คำว่าท่าถูมีความแปลว่าเห็นแล้วฉันใดอันนี้ที่บาลกับแสงภาษาบาลีนะความยินท่าถูมันจะท่าถุงนะครับนั่นยับาลีจะรู้นะครับท่าถุงลงตาะลงตรงอะไรก็ว่าไปแปลว <c oughs> ่าอะไรแปลว่าเห็นแล้วนะครับอ อ, อ, อ, อ, อันนี้ไม่ไม่แปลงนะนั่เจนี้บอกวไปให้แปลว่าเห็นแล้วเหมือนทิศวานเลยนะครับใช <c oughs> ้คำว่าทิศวานใหที่นี้ฉันใดนะ ะครับถึงในสิกขาบทนี้ก็ฉันนั้นคําว่าพิหันถุงปวาเรเลยยะมีความแปลว่าทายกน้อมพาดไปแล้ววางไว้ข้างหน้าครับถ้าอพิหัตถุงแปลว่านะครับน้อมเข้าไปแล้วนี่เลยปวาเรเยะพึงปวารนาให้แปลงี้นะครับไม่แปลว่าพึงปวารนาเพื่อให้นําไปไม่แปลให้แปลว่าน้อมเข้าไ ป, ปาน ара, ั่นถึงปวารนะครับแปลถ้าถุงท้ถูกนะ ที่บายกับแสงบาลีนะครับอแต่ถ้าในผ้าบาลีถ้าอธิบายสองในเลยนะสองในนะครับต้นแนวป็นคาถาในที่นี้ในอธิบายสองในต่อไปนะครับออันนี้ยังไงนะมีคําแปลว่าทายกน้อมผ้าไปแล้ววางไว้ข้างหน้าชื่อว่านิมนต์ด้วยกายนะครับนี่นะนิมนต์ด้วยกายก็คือน้อมผ้าไปวางไว้ข้างหน้านะครับ เ อ, อเมื่อกล่าวว่าพระคุณท่านต้องการผ้ามาเท่าใดจากลินครังเก็บผ้าของพวกผมขอท่านจงถือเอาผ้ามาเท่านั้นเถิดชื่อว่านิมนต์ด้วยวาจาเนี่ยเขาน้อมไปปวารณาใช่ไหมด้วยการ ว, วาจาก็แล้วแต่นะครับคําว่าสันตุรักรามังแปลว่าผ้าจีวรและผ้าเสบงเป็นอย่างยิ่งของจีวรนั้นเพราะนั้นจีวรนั้นชื่อว่ามี จีวรและสบงเป็นอย่างนี้นี่ที่มาส่องแสงนะเรายินดีได้ามากานะครับคือสองผืนนะมีคำที่ว่าจีวรชุดนั้นมีผ้าห่มกับผ้านุ่มเป็นเคกําหนดอย่างสูงสุด<ม>ข้อว่าตัดโตจีวรังษาที่ตะพังคือนะถ้าครับพึงยินดียิ่งกว่านั้นนะความว่าพึงรับเอาจีวรสองผืนคือสบงและจีวร มีประมาณเท่านี้อ๋อเนี่ยมันแปบลบว่าพึงยินดีนะครับจีวรจากจีวรเหล่านั้นนะครับมีประมาณเท่านี้จากจีวรที่ทายกนํามาถวายไม่ควรรับมากกว่านี้เนี่ยท่านจะอธิบายนะครับในเรื่องของการรับจีวรนี้มีอถาธาิบายดังต่อไปนี้สําหรับพิสูจน์ที่อธิษฐานผ้าเป็นตายีวร ถ้าหายนั่งสามผืนเลยสามผืนเลยที่สุขพึงยินดีคือขอข้อนาสองผืนหน้าก็หยิบมาหน้าสองผืนในค่ายนี้คือเอาไว้นุ่มผืนหนึ่งเอาไว้ห่มผืนหนึ่งแล้วที่เหลือพึงไปสมัยหาจากที่อย่างที่สุขที่ถูกกันนะครับอีกผืนหนึ่งใช่ไหมก็ไปหาไปขอเพื่อนขออะไรไปนะครับแต่นี้เอาของโยมได้แค่สองผืนหาได้สองผืนพึงดีผืนเดียว คือยังไงยังไงก็ให้เหลือแค่สองนะรวมหมดของเราแล้วนะครับเหลือแค่สองคือนุ่มผืนหนึ่งผืนหนึ่งแค่นั่นเองก็ราาหายสองใช่ไหมมันก็เหลือหนึ่งใช่ไหมครับยินนี้ได้แค่หนึ่งก็จะมีสองพอดีแต่ถ้าโดยปกติที่สูดใช้เพียงผ้านุ่มกับผ้าห่มสองผืนเท่านั้นนะครับนี่นะคืนยินดีสองผืนมาเพราะธรรมดาท่านใช้แค่สองผืนนะ ถ้าจะมีแค่สองนะครับไม่ได้ใช้สังคติอย่างนี้นะหาไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับหรือว่าได้อันนี้สองกระถินนะเก็บทิ้งไปเลยเนี่ยเอามาแค่สอง น, นะแล้วก็ถูกป้องเป็นทั้งฝ่อผืนเลยนะครับอันนี้ก็ยินดีได้สองเหมือนกันนะครับพึงยินดีสองผืนเพราะผืนที่สามไม่ได้อยู่กับตัวนะเ <c oughs> มื่อเป็นอย่างนี้นะะอันนี้แก้สํานวนเลยนะ <c oughs> ผมตอกเรื่องมาให้นะครับเมื่อเป็นอย่างนี้จักเป็นผู้เสมอกับที่สุต ผู้ยินดีผืนเดียวนั่นเทียมหมายความว่าคนที่อะไรนะเขามีสามนะครับหายสองใครยินดีได้หนึ่งใช่ไหมครับยินดีได้เท่ามั้ยหนครับเขาก็จะเหลือสองคนดีอันนี้เขามีแค่สองหายสองเลยเขา้ายินได้สองเขาจะเหลือสองเท่ากันใช่ไหมครับ น, นี่ก็คือเขาจะเหลือสองคนละกันนะเท่ากันๆๆนะครับที่สุดใด บรรดาผ้าสามผืนหายเป็นหนึ่งผืนพสุนนั้นไม่พึงยินดีผ้าเลยเพราะไ้นี้ก็ยางสองนะพิสูจน์นันบรรดาผ้าสองผืนหายเป็นหนึ่งผืนมีผ้าแคสองหายหนึ่งนะครับยินดีได้หนึ่งผืนพิสูจใดมีผ้าอยู่ผืนเดียวอ้าแล้วเดี๋ยวผืนเดียวอะไรเมื่อผ้าหายไปพึงมีได้สองผืนนะครับสาหรับพวกน้ำพิสูนนี้นะครับ เมื่อผ้าหายไปห้าผืนพ่อพิสุนีนะครับมีผ้าอยูห้าผืนนะนะครับจวบสังขตินะครับผ้ารักฐานแล้วก็ผ้าอ่านนะำทำทำห้าผืนในนี้นะครับอันนี้บอกว่าห้าผืนหายหมดเลยใช่ไหมต้องห้าผืนยินดีได้สองผืนนะครับยินดีได้สองเือแค่นุ่งกับหมเลยถือว่าใช้ได้นะครับ ที่เดีวก็เป็นสวายฮ า, าที่หนังนะเมื่อหายสี่ผืนยินดีได้ผืนดียวนะครับเมื่อหายไปสามผืนไม่มีดีเพราะอย่างงี้มันก็ยั ง, ง, งเหลือสองใช่ไหมยินดีไม่ได้นะครับไม่จําต้องกล่าวถึงจีวรที่หายสองผืนหรือผืนเดียวจริงอยู่พิสุหรือพิกสุนีเพึงตั้งอยู่ในความเป็นผู้มีน ะ, ะต้องบอกไว้นะครับผ้านุ่งกับผ้าห่มเป็นอย่างยิ่ง คือเรียกขอเขาะอย่างเงี้ยก็เหลือสองผืนหน้เป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อขอเกินกว่านั้นทุกๆกิริยาการที่ขอต้อบาทุกโกรดได้มาต้อบัณสิตเกียราิจิตติในเรื่องของการสละนี้เพิ่งทราบถึงวิธีการสละโดยในนี้ว่ายีทางเมพันเตจีวราัญญาตะกลางฆ่าปฏิการตัดทุตติรินะครับบางที่ก็เป็นอันนี้ตัดทุตริรินย ที่เราสวนเป็นตัดตุลุนตัทุนะคตัตุตริตัตตริใช่มตัดยุตริตัตุตรินัตตุตริวปิตังนสักขิยังนะครับตโตเจวตริสาทิยปาจิตยสันตตระปรังมังเตนะวิกุณาลำต้นยังไงฟังหงหิิเรอภิยถุงวายยะสันตลตระปรังมังเตนะวิกุณาตัดตจิวังสาทุตภัง ตตเตุิสาทิเหยะวิสเคียาติเทตตุตตุตติรินะยิ่งกว่านั้นนะแปลว่าตตุตตริน่ะยิ่งกว่านั้นนะครับแล้วก็ยิ่งกว่ายิ่งกว่าสองนะครัดตตุตติริตตุตติริตตุตติรนะครับเพราะว่าตตริอันนี้ของท่าอย่างนี้นะไม่ติดกันครับสาเยนี้นะ ตัดตุดแล้วก็แต่เจอที่เหมือนก็น้องสะอยู่นะครับครับอันนี้อันนี้เขามีอ่านนะครับตุดก็มีแล้วก็อุตรีก็แยกกันเลยตรงเพาะแยกแยกกันเพราะว่ามามาจากอะไรตันะครับกับอุตรีนะครับอืมนะครับตัดโตนะตัดโตกับอุตรีใช่ไหมเพราะนั้นมันมีครับแต่จะทังไงอ้ตให้พูดเหมือนกันไอ้ตัดตารอีกเลยใช่ไหม กาตริบไ่จัารรูประทิการชำระเพื่อสังเกตสิ่ที่สมนภาทุกคก็ไม่เอาไปนะค่ะ <ẩ> ว an <orr h toilet> ัตถุริบไมจัารรูปปราทิการชำระเพื่อสังเกตสิ่งที่ตัดริบตัดริบตัดริบใช่ทหาอันนี้ก็ต้องตัดโอไม่ใช่อันนี้มันเต็มเต็มเลยเท่ากันเต็มอันนี้มันไม่ได้สังโยงคับมันเต็มเต็มเลยตุกไง ตออุตอตุเลยใช่ไหมครับแต่นั่นเขาเข้าสั่โยกครับไอตัวตอเต่าแหละอะไรนะมันมันสั่งโยกระหว่างตอตากับร่อนเรือตรงนั้นนะครับมันไม่ได้ตรงนี้มันจะมีจุดใช่ไหมระหว่างตอตากับรอเรือนะครับเขาแหลกขวบครับตัดตรงี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ทีละตัวอะไรนะทีละพยางค์อะไรนะครับนี้วิยาปีตังวิสขียังถ้ามบเจริญจิตวิาของกผมนี้ ขอกับข้าบดีที่ไม่ใช่ยากเกินกว่าที่กําหนดไว้ เ, เป็นสิ่งจะต้องสลัหรือว่าเป็นของจาต้องสลักก็ได้สิขาบทนี้เป็นพระพาเจ้าทรงปราบพิสุจฉบวคีในเมืองสามวถีบำใหญ่ไว้แล้วพ่อเรื่องคือการขอจีอุมามากมายสิขาบทนี้เป็นสาธารณาบรญยายนี้ก็มีนะครเป็นอนันติกังไม่เกี่ยวกับการใช้นะครับ ถ้าใครขอเกินเองนะก็โดนเองนะครับน่าจะเป็นท้ายข้อก่อคนะ้ายข้อก่ออนะันนี้เม่ได้ไม่ได้อธิบายนะครับก็ว่าถ้าใช้อาะาก็โดนแมทุกกดนะครับแม่ทุกกฎเ น, นี่ยนตะีกลับไป้ายตีนะครับก็เหมือนเดิมนะเขาไม่ใช่ยากเข้าใจสงสัยสําคัญผิดนะครับขอเกินมาก็เป็นไป้ายตีเท่านั้นผู้เป็นยากที่สุบมีความสำสัญว่าไม่ใช่ยาก หรือมีความสงสยัยต้องอาบบัตทุกกฎอาณนะาบัตรพิสูจน์ไม่ต้องอาบบัตเมื่อหนึ่งนำผ้าไปดิบบอกว่าถ้าทาจีวรเสร็จสองผืนจะนําผ้าที่เหลือมาคืนนะครับม า, า จ, จะเป็นม้วนใหญ่เลยนะเราบอกเอาไปก่อนม้วนหนึ่งก็ได้นะครับตัดไปเยอะแล้วน่เผื่อไหมนะครับบอกว่าทําจีวรเสร็จสองผืนทีเดี๋ยวก็จะมาคืนก็แล้วกันจะไม่อัเกินก่อนนี้นะครับ สองอทายกกล่าวว่าผ้าที่เหลือจมเป็นของท่านเทิดเพพูดอย่างนี้นะอ้าวพระกุญจะเอาไปเลยไม่ต้องมาคืนหรอกนะครับนี่นะที่เหลือเป็นของท่านนอะละอันนี้ก็ไม่เป็นไรสามไม่ได้ถืออวี๋ที่ทางยกถวายเพราะเหตุที่ถูกชืนเอาไปนะครับเข้าถวายกรณีอื่นอนี้นะอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็าไม่ถวายเพราะว่าเราถูกโจทีจ่วอวี๋เป็นต้นนะแต่เขาถวายกรณีอื่นอั น, นี้ไม่เป็นไร สี่นะครับพิสูจ ข, ขอในสถานที่ยากและปวน า, าไว้ตามที่กล่าวแล้วหมายถึงปวน า, าประจำนะั่นที่ก็าปราณาไว้ก่อนแล้วนะครับไม่ได้เพิ่งมาปรน า, าตอนที่เราถูกโจชิงชีวอนไปนะอันนี้ครับอันนี้ข อ, อ, นนขอเลยเลยไม่มีปัญหาห้ารับมาด้วยซ้ำของตนหกพิสูบบ้างเป็นต้น อ, อันนี้ก็ไม่ต่างนะครับขอต่อไปนะองอาบัต อสินค้าวันนี้องค์สี่เหล่านี้คือหนึ่งเป็นผ้าที่เกิดมาจากที่ขอน่าจะเป็นผ้าที่ขอเกินมาผนแก้คำนวณแก้เป็นนี้ก็ได้นะครับเป็นผ้าที่ขอเกินมาสองนะครับครับขอขอมาเกิดขอเกินมาขอมาเกินเกินสองครับสองเป็นผ้าที่ถูกโจนชิงเอาไปเป็นต้น นะอันนี้ ค, นคนจงจะมีคําว่าเหตุนะครับเหตุเพราะถูกชินเอาไปนะครับเหตุเพราะถูกและถูกชิงกวิวรไปสามขอกับผู้ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ญาตแล้วก็ไม่ใช่ปอวนานละตามปกติด้วยสี่ได้มาด้วยการขอนะั้นเมื่อพรบองค์สี่ก็ต้องบ่นไปตีในสิทธามบ่นอีกนะครับออ ส, สำหรับสมุทฐานเป็นต้น เมือเป็นเหมือนกับในสิทธาบท<อ>ที่สี่ก็ลายสมุทฐานหกนะสมุทฐานหกนะครับเป็นกิริยานุสัญญามิโม่อจิตตการนณิตวช่ากายกรรมวจีกรรมมีจิตสาวิทนาศาสจบการที่บาลตุตริสิทธาบทข้อนี้ก็ตอก็ไม่ค่อยมีนะสมัยนี้ <โอ |nl|> นคงจะไม่ค่อยดู ให้เราเผื่อไม้นะเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่แน่นะนนะคุนเนีย่ยได้ดีเกิดวินโจรมันต้นชิจีวอนพังไปเงี้ยเราจะได้ปฏิบัติได้ถูกนะครับหรือว่าจีวอนเสียหายอะไรเนี่ยเรป้อนกลัได้าอะไรนะเราป้อนกัได้อกลนเราถือเอาด้วยความเปนความเป็นของตนได้ได้ได้ยังเราก็ยังถือว่าเป็นของเราได้นะ ใครยังไม่ถอนราว่านานๆนเราถออะไรไปเรียบร้อยม่ใส่ของเราแล้วนะแล้วเราไปเจอแล้วเเจอาเอามาออของเราีกวเลยอมันก็เป็นได้สองบนะครับถือว่าของมันราคาห้ามาศนะครับถ้าถือด้วยสมคาญเป็นของตนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องปรารถนยนี่ของเรานี่นะใช่ไหมก็ไม่ต้องแต่ถ้าถือด้ว ย, วยขยจิตคิดว่าไม่ใช่ของเราเ็ของเขาแต่แรกใช่ไหมครับ แล้วเธอไดดหายเจจิตนั่นแหละคราจะเป็นปัญหาชีวิตตอนนั้นถ้ามันเราแบบว่าเาเป็นทหาไม่ผนท่น้วหารเจ อ, อถุอ่อยงั้นนะ่จะมีความสำคมมัญเป็นของตอนอยู่ก็ยังไม่ยังไม่มป่าปัญหาชีิกเลยนะครับนัาไม่เป็นยามาก็จะเป็นถุกแล้วก็พันธุไทย